ข้อที่49เรื่องพานิช7์0รคนในอดีตการพานิช700รคนแลนสัมเภาไปสู่สมุทรในวันที่7สัมเภาอับปางในถ้ำกลางมหาสมุทรน้ำพุ่งขึ้นแล้วพวกพานิช์ประสบภัยต่างระบุชื่อพวกเทวดาของตนของตนทำกรรมต่างๆมีการอ้อนวอนเป็นต้น ก็ในถ้ำกลางพานิชเหล่านั้นบุรุษคนหนึ่งคำนึงถึงทานที่ตนถวายแก่ภิกษุสงฆ์และเจรณะกับศีลที่ตนรับในวันที่ตนลงสู่สำเพานั่งไม่หวาดกลัวเลยพวกพานิชนอกนี้เห็นบุรุษนั้นไม่หวาดกลัวจึงถามถึงเหตุแห่งความไม่หวาดกลัวเขาบอกเหตุนั้นแก่พานิชเหล่านั้นพวกพานิชถามว่า ก็ศีลย่อมควรแก่ชนแม้เหล่าอื่นหรือนายปร ด, ดนั้นกล่าวว่าเออควรพวกพาณิชกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านโปรโ ด, ดให้แก่พวกข้าพเจ้าบ้างเขาได้จัดมนุษย์เหล่านั้นพวกละร้อยร้อยแบ่งออกเป็นเจ็ดพวกแล้วให้ศีลห้าบรรดาชนทั้ง7จ0อคนนั้นชนร้อยคนที่หนึ่ง ยืนอยู่ในน้ําประมาณข้อเท้าได้รับศีลที่2ประมาณเข่าที่3ประมาณสะเอวที่4ประมาณสะดือที่5ประมาณนมที่6ประมาณคอที่7ได้รับในเมื่อน้ําเค็มกําลังไหลเข้าปากเขาให้ศีนเกตคนเหล่านั้นแล้วประกาศว่าที่พึ่งอย่างอื่นของพวกท่านไม่มี พวกท่านจงนึกถึงศีลเท่านั้นดังนี้แล้วตายไปบังเกิดในภพดาวดึงแม้มนุษย์เหล่านั้นก็เกิดในภพดาวดึงนั้นเหมือนกันเพราะอาศัยศีลที่รับในเวลาใกล้ตายเทพบุตรเหล่านั้นทั้งหมดท่านเรียกว่าสตุลละปากาญิกาเพราะเป็นผู้ยกย่องธรรมของพวกสัตวรร์ปุรด้วยอำนาจการสมาทานและบังเกิดในหมู่ชาวสวรรค์ มิมานทั้งหลายของเทพบุตรเหล่านั้นบังเกิดโดยสามารถลดลันกันทีเดียวอย่างนี้คือบรรดาเทพบุตรเหล่านั้นมิมานทองของเทพบุตรผู้เป็นอาจารย์โดยประมาณ100ยโยต์บังเกิดในถ้ำกลางวิมานทั้งหมดวิมานทั้งหลายของพวกเทพบุตรอันเทวาสิกบังเกิดแวดล้อมวิมานของเทพบุตรผู้เป็นอาจารย์นั้นวิมานชั้นต่ำทั้งหมด ของเทพบุตรเหล่านั้นประมาณ12โยอเทพบุตรเหล่านั้นนึกถึงกรรมในขณะที่บังเกิดนั่นเองทราบการได้สมบัติเพราะอาศัยอาจารย์ประสงค์จะกล่าวคุณของอาจารย์ในสำนักพระบรมศาสดาจึงพากันมาสู่พระเชตวันในลำดับมัชิมยามถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนนะส่วนข้างหนึ่งบรรดาเทวดาเหล่านั้น เทวาหกองค์ปรารถนาจะกล่าวคาถาองคและคาถาตามลําดับได้กล่าว6กคาถาทำบาทที่สให้แปร ก, กันและสบาทนอกนี้ให้เสมอเป็นอย่างเดียวกันว่าบุคคลพึงนั่งร่วมกับพวกสัตว์บุรุษเท่านั้นพึงทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุตรเพราะรู้ชัดสัตยธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมมีความดี ไม่มีความชั่วบุคคลพึงนั่งร่วมกับพวกสัตว์บรุษเท่านั้นบุคคลย่อมได้ปัญญาจะได้จากบุคคลอื่นก็หาไม่บุคคลพึงนั่งร่วมกับพวกสัตว์บรุษเท่านั้นพึงทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์บรุษเพราะรู้ชัดสัตยธรรมของสัตว์บรุษทั้งหลายบุคคลย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งผู้โศกเศร้า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 กับพวกสัตว์บรุษเท่านั้นพึงทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์บรุษพระรูชาสัตยธรรมของสัตว์บรุษทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมดำรงอยู่ชั่วกรลานานขนาดนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าคำแม้ของใครหนอแลเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคาของท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยาย ขอพวกท่านจงฟังคําของเราบ้างดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลพึงนั่งร่วมกับพวกสัตว์บรุษเท่านั้นพึงทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์บรุษเพราะรู้ชัติธรรมของสัตว์บรุษทั้งหลายบุคคลย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง